นะโมทัสสะปะกวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะปะกวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะปะกวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะกอ น, นอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลศ พรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคาพุทธะเรื่องพิกษุชาวเมืองโกสัมพีมัชฌิมานิกายเล่มที่สิบสองข้อที่ห้าร้อยสี่สิบมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารโกสิตาราม ในเกตพระนครโกสัมพีก็ในสมัยนั้นผู้พิกษุชาเ ม, มืองโกสัมพีเกิดกัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองกันขณะ น, นั้นภิกษุรูปหนึ่ง จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุอีกรูปหนึ่งมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุเธอจงมาเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคําของเราเมื่อภิกษุผู้นั้นทําอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุ ที่เรียกมาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพิกสุดทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอเกิดกัดใจทะเละวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ไม่ยางกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยางกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองกันอย่างนั้นจริงหรือข้อนั้นเป็นอย่างใรพระเจ้าข้า ภิกษุตั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยใดที่พวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้นพวกเธอจะสามารถเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามนโนกรรมในเพื่อนผู้ประวัติปรมาจักรตั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้หรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่สามารถเป็นไปได้เลยประเจ้าข้าวิกสุต้งหลายเช่นนี้ก็เป็น น, นว่าสมัยใดที่พวกเธอเกิดความขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้น พวกเธอก็ไม่ได้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังดูก่อนมคบุุษทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรจึงเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกัน อยู่รื่อหอคือบากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองกันผู้คนกลวงเอ๋ยข้อนั้นแหละจะไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อทุกขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานกานั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับ พิกษุทั้งหลายอีกเหล่าหนึ่งอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลา ย, ลา ย, าาลายธัมมะหกประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเปลียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหกอย่างอย่างไหนเล่า คือหนึ่งเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งการกระทาทางกายคือกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับธรรมะแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ ก, กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความรมรเริงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเท่านั้นเมื่อเข้าไปตั้งวจีกรรมคือการกระทาทางวาจาอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนผู้ประพฤติพรมจรรยทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับธรรมะแม่นี้ ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ ก, กันเพื่อความไม่วิบาดกันเพื่อความพร้อมเปลี่ยงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุต่ลายข้ออื่นยังมีอีกคือเท่านั้นปึงเข้าไปตั้งไว้ซึ่งการกระทำทางใจคือมโนกรรมนั้นรประกอบไปด้วยเมตตา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 คือเธอผู้ใดเมื่อมีลาบเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบสักว่าอาหารที่ได้มาจากการบินตบาทก็บริโภคโดยไม่เกียกรติกันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธา ร, รณกับเพื่อนผู้ประพฤติพรมจรรย์ร่วมกันอีกอย่างหนึ่งคือเธอผู้ใดเป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ด่างไม่ป้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกระเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับอยู่แต่ามาแม้นี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสเคะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเปลี่ยนกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันปิกษต์ตายข้ออื่นยังมีอีกเธอผู้ใดที่มีทิฏฐิอันไกลาจากฆ่าศึกเป็นนิยา น, นิกธรรมอันนำออกซึ่งบุคคลผู้ทาตามนั้น เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายเช่นนั้นกับเพื่อนผู้ประพฤติประมจันทั้งหลายแต่ไหนที่แจ้งและไหนที่ลับอยู่วิกษุทังหลายธรรมะประการเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความร้อมเปลี่ยงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันปิกษต์ตองหลายทิฏฐิอันไกลาจากกิเลสที่เป็นข้าสึกที่เป็นนิยา น, นิกรรมน้่ออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นยอดยึดคุมธรรมะ6ประการนี้ไว้ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันนี้ เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุดเป็นที่ยึดคุมของเรือนยอดฉันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็น่าศึกก็เป็นนิยา น, นิกรรมนนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นยอดยึดคุมธรรมะหกประการนี้ไว้ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน พิสุตตหลายก็ทิฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็น่าสึกที่เป็นนิยานิกรรมำนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อใบแล้วสู่ปากก็ตามสู่คนไม้ก็ตามหรือสู่เรือนบ้างก็ตามยอมพิจารณาเห็นว่าเรามีจิต อนกิเลสเป็นเครื่องครอบงำคือปริยุทฐานกิเลสได้ครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงกิเลสที่เป็นเครื่องครอบงำคือปริยุทฐานกิเลสนั้นที่เรายัางละไม่ได้ภายในยังมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุผู้นั้นมีจิตหูกามราคะครอบงำก็ชื่อว่า มีจิตถูกกิเลสเป็นเครื่องครอบงำครอบงำแล้วถ้ามีจิตถูกพยาบาทครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกกิเลสเป็นเครื่องครอบงำครอบงำแล้วถ้ามีจิตถูกความง่วงซึมคือตีนามิทะถูกความฟุ้งซ่านนำการใจคืออุท ธ, ธัจจะกุกุจจะถูกความเคลื่อบแกลงเห็นแยง คือวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตที่ถูกกิเลสเป็นเครื่องครอบงำครอบงำแล้วหรือมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตอันกิเลสเป็นเครื่องครอบงำคือปริยุท ธ, ธ์หาในกิเลสครอบงำรุมๆแล้วทีเดียวและถ้าเป็นผู้ขวนขวาย ในการคิดเรื่องโลกนี้ในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่าจิตนั้นมีกิเลสอันเป็นเครื่องครอบงำกลุ่มรุมแล้วทีเดียวและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ก็อย่างชื่อว่ามีจิตอันกิเลสเป็นเครื่องครอบงำเกิดครอบงำและกลุ่มรุ ม, รมนั้นทีเดียว ถ้าภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าจิตที่มีกิเลสเป็นเครื่องครอบงำใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็กิเลสเป็นเครื่องครอบงำในภายในที่เรายังละไม่ได้นั้นไม่ได้มีแกเราเลยจิตของเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อการตรัสรู้สัจจทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เป็นญาณที่หนึ่ง อันเป็นอรยะอันเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันพิสุจน์นั้นได้บรรลุแล้วพิสุจตั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระ ง, งับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนอ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำไม่มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระ ง, งับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้ก็เป็นญาณที่สองอันเป็นอริยอันเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว พิจารณาลายข้ออื่นยังมีอีกริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกธรรมวิ น, น, นัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนอะริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่น ภายนอกธรรมะวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นไม่ได้มีนี้เป็นญาณที่สามอันเป็นสิ่งประเสริฐเป็นไปในระดับเหนือโลกไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วพิสุททั้งหลายอีกอย่างหนึ่งริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเป็นอย่างไรเล่าคือธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยาสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้ ถึงอย่างนั้นริยาสาวกนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นในสำนักพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติปรมจันทร์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายกร้นแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายทูกทานไฟด้วยมือ หรือด้วยเท้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพรามด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี่เป็นญาณที่สี่อันเป็นอริยะเป็นไปในระดับเหนือโลกพิโล ก, กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อนอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วพิสุตสงหลายอีกอย่างหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นข้อนี้เป็นอย่างไรเล่าคือธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยาสาวก ถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในข้อปฏิบัติในสีนันยิ่งในข้อปฏิบัติเรื่องจิตอันยิ่งและในข้อปฏิบัติเรื่องปัญญาอันยิ่งของอริยะสาวกนั้นก็มีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ย่อมเลมกินหญ้าด้วยสายตาที่ชำรเลืองดูลูกด้วยอยู่เช่นั้นเริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่ห้าอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชน อนอริยาสาวกนั้นบนรรลุแล้วพิกษุทลาะอีกอย่างหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยกำลังคือพะละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยกำลังคือพละเช่นนั้นก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพะละคือกำลังเป็นอย่างไรเล่า คือพระน้ของบุคคลพูดถึงพรามด้วยทิฏฐิก็คืออริยสาวกนั้นเมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วอันบันดิตแสดงอยู่ก็ตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงฟังกำหนดจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนอริยสาวกนั้นรู้ชัดขนาดนี้ว่า บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิประกอบด้วยกำลังคือพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นนี้เป็นญานที่หที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอนอริยสาวกนั้นบนรรลุแล้วพิกษุหลายอีกอย่างหนึ่งอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะละคือกำลังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละอย่างไรเล่าคือภะละนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อตามมาวินยัยที่ตถาคต ประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมกริยาสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิประกอบด้วยภะละคือกําลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่เจ็ด อันเป็นนริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันนริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันนริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ประการอย่างนี้ตรวจ ด, ดูดีแล้วด้วยการทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิกษุทั้งหลายริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจประการเหล่านี้แหละ ยอมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยผลแห่งการเข้าถึงกระแสคือโสดาปฏิผลดังนี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีในภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แต่ว่าภิกษุที่มีความบาดหมางกันทะเลาะ ก, กันวิวาทกันทิมแทงกันอยู่ด้หอกคือปาก ก็ยังไม่ละที่ตินั้นของตนและได้ทําความร้าวรานในสง์ทําความแตกกันในหมู่สงให้เกิดขึ้นเป็นสังฆเภทมีการแยกกันทําอุโบสถในสีมาเดียวกันพระผู้มีพระภาคจึงได้บัญญัติวินัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่สงแตกกันและถึงแม้จะทรงห้ามว่าอย่าบาดหมาง ก, กันอย่าทะเลาะกัน แก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยถึงสองครั้งก็ไม่สามารถอย่างภิกษุเหล่านั้นให้ยินยอมได้จึงได้ตรัสเล่าเรื่องทีฆาวุกุมารที่สามารถยังจิตให้อภัยแกศัตรูผู้ประหารบิดาของตนได้และได้ตรัสในตอนสรุปของเรื่องทีฆาวุกุมารแกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ว่า พิสูจทั้งหลายขันติโสรจะจัคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมเห็นป่านนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้มีอาจยาผู้ถือศาสตราบุตรก็การที่พวกเธอบวชในธรรมะไว้ในนี้อันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมคือขันติ และโสระจะันั้นก็จะพึงเป็นผู้งดงามในธรรมะวินัยนี้ได้เป็นแน่และได้ตรัสให้โอวาทกับภิกษุเหล่านั้นเป็นครั้งที่สามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยดังนี้แล้วก็ยังไม่สามารถจะให้ภิกษุเหล่านั้นยินยอมได้ พระผู้มีพระภาคจะมีความดําริขึ้นดังนี้ว่าก็โมคะบุรุษเหล่านี้หัวดื้อนักแรเราจะให้โมคะบุรุษเหล่านี้เข้าใจกันทำไม่ได้ง่ายเลยดังนี้แล้วจึงได้เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะแล้วหลีกไปก็ในครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสมบงถือบาทและจีวร เสด็จไปเพียงผู้เดียวเข้าไปบินาบาบในอย่างพระนกรโกสัมผีในเวลาเช้าครันเสร็จพัฒกิจแล้วทรงเก็บเสนาสะนะกำลังประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ตรัสประกานี้ว่าคนพรไร่ด้วยกันทรงเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นคนผ่านไม่เมื่อหมู่แต่กัน พ่าหาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบันเด็ดลืมตัวสมัครที่จะพูดตามที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพลาดไปอย่างนั้นหาได้นําพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะ ก, กันใหม่พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเราได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเราเวนของพวกนั้นย่อมระ ง, งับไม่ลงพวกใดไม่ปลูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวนของพวกนั้นย่อมระ ง, งับได้ในยุคไหนก็ตามเวนทั้งหลายไม่เคยระ ง, งับได้ด้วยการปลูกเวนเลยแต่ระ ง, งับได้ ด้วยการไม่ปลกเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดการพวกคนอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราสลกรานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระ ง, งับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลุมเกรียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำตามอํานาจกิเลส ยังมีได้แม้แก่พวกคนกักละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหากแข้งหากขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนมา้าโคและคนเอาซบไปแล้วทําไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นบราดมีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วใช้ก็จะทําตัวให้เหมือนพระราชา ที่ละแวนที่พิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหาหิกันได้กับคนผ่านพึ่งเที่ยวไปคนเดียวและไม่ตาบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไม่ในป่าฉะนั้น กรั้นตรัสประกาศานี้แล้วจึงได้ํำเนินไปทางบ้านพาลกะโลนการามก็ในที่นั้นท่านพระภักุได้อยู่ประจำในที่นั้นได้แสดงธรรมให้ท่านพระภักุเห็นแจง้งจะมาทานอาถรรร่าเริงแล้วจึงได้เสด็จลุกจากที่ประทับดำเนินไปทางป่าป่าจีนวง ซึ่งท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกัมพิละได้พักอยู่ที่ป่าปาจินวงนี้ได้ทราบความที่ภิกษุทั้งสามเหล่านั้นมีความสามัคคีกันดีอยู่ได้แสดงเรื่องอุปกิเลสิเบเอ็อย่างตามนิยะของอุปกิเลสสูตรแต่เมื่อได้ส่งชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันติยะ และท่านพระกิมพิระเห็นแจ้งสม า, า, าทานอาถานร่าเริงด้วยธรรมิเกถาแล้วก็ส่งลูกจากที่ประทับเสด็จไปทางตำบลปาริเรยากะเมื่อถึงบ้านปาริเรยากะแล้วก็ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้รังใหญ่ในป่าที่ชื่อว่ารักขิตวันในตำบลบ้านปาริเรยากะนั้นก็ในครังนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวได้มีความปริวิตกแห่งใจเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราวุ่นวายอยู่ด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณในสงเหล่านั้นอยู่ไม่สำราญเลยก็เดี๋ยวนี้ เราบ้างเว้นจากพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิบากทำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงเหล่านั้นเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นสุขสำราญดีแม้ช้างใหญ่เชือกหนึ่งก็ยุ่งอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างลูกช้างเล็กได้กินแต่หญ้ายอดด้วน ส่วนกิ่งไม้ที่พระยาช้างนั้นหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำคุณคุณเมื่อพระยาช้างนั้นลงและขึ้นจากท่าช้างพังก็เดินเสียสีกายไปต่อมาพระยาช้างนั้นได้มีความปริวิตกขึ้นดังนี้ว่าเรายุ่งอยู่ด้วยช้างปลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็ก ได้กินแต่หญ้ายอดด้วนได้ดื่มแต่น้ำคุณคุณใชหน า, นาเราพึ่งหลีกออกจากโขงอยู่แต่ผู้เดียวครั้นแล้วจึงได้หลีกออกจากโขงเดินไปทางบ้านปาริเลยกะในป่ารักกิตวันในควงต้นไม้รังใหญ่ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วใช้งวงตักน้ำฉันน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้ เพื่อปราผูมีพระภาคและปราบสถานที่ให้เป็นของปราศจากของเกี่ยวสดครั้งการต่อมาปรียาช้างนั้นได้มีความกำเนึงนึกถึงว่าเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กอยู่ไม่ผาสุกเลยได้กินแต่หญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำคุณคุณเมื่อเราลงและขึ้นจากท่าช้างพังก็เดินเสียสีกายไปเดี๋ยวนี้เราว่างเว้นจากช้างปลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนเป็นสุขสำราญดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค์ แล้วทรงทราบความปริวิตรกในใจของพระยาช้างนั้นด้วยใจของพระองค์จึงได้เปลงอุทานขึ้นในเวลานั้นดังนี้ว่าจิตของพระยาช้างผู้มีงางองามดุดงอนของรถนั้นเสมอด้วยจิตของท่านผู้ประเสรศิฐเพราะเป็นผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันเรนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ ตำบลปาริริยะกะตามปรารถนาแล้วก็เสด็จดำเนินไปทางนครสาวัตถีเสด็จจ้าริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วสาบาพระโลงประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตะบินทิกะเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ครังนั้นอุบาสกอุบาสิกา ชาวนาครโกสัมพีได้หาหรื่อกันว่าพระกุลเจ้าเหล่าภิกษุในพระนครโกสัมพีนี้ทําความพิณาตใหญ่โตให้พวกเราพระผู้มีพระภาคถูกท่านเหล่านี้รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเสียเอาละ่ะพวกเราไม่ต้องอภิวาทไม่ต้องลุกรับไม่ต้องทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่ต้องทําสักการะไม่ต้องเคารพไม่ต้องนับถือ ไม่ต้องบูชาซึ่งพระกุลเจ้าเหล่าภิกษุชาวพรทนกรโกสัมพีแม้เข้ามาบินทบาทก็ไม่ต้องถวายบินทบาทท่านเหล่านี้ถูกพวกเราทำดังนี้แล้วก็จะหลีกไปเสียหรือจะสึกเสียหรือจะให้พระผู้มีพระภาคทรงรโกรดครั้นคิดดังนั้นและได้ทำดังนั้นแล้วเมื่อภิกษุชาวนก ร, รโกสัมพีเข้ามาบิณทบาท ก็ไม่ถวายบินฑบาทไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือบูชาไม่สักการะภิกษุเหล่านั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่พระนครสาวัตถีแล้วระงับอธิกรณ์นี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคจึงได้เก็บเสนาสนะของตนถือบาทและจีวรเดินทางไปยังนครสาวัตถี ตั้รทำคำพุทธะ